พจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้อยู่ในหัวข้ออัศจรรย์ความรักของพระเจ้าปรากฏในพระธรรมยอนบทที่สข้อ16ข้อ17เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกตเได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใลในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร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 วันนี้คือสวัสดีครับ <Merry Christmas. S 1> ขอบพระเจ้าอีกครั้พี่น้องนะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับเราขอบคุณพระเจ้าในวันคริสต์มาสเป็นวันที่เราทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีวันที่เราได้รึกถึงความรักของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราเป็นวันที่เราร่วลึกถึงพระวจนะของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าที่สําเร็จแม้ว่าเป็นเวลาหลายพันปีหลายร้อยปีหลายพันปีแต่ พระประสงค์ของพระเจ้านั้นได้สำเร็จหัวข้อในวันนี้ก็จะให้ล้ อ, อกับตรีมของคริสต์มาสปีนี้นะครับมีเลมิลกนะครับก็จะใช้หัวข้อว่าอัจจ ร, รความรักพระเจ้า น, นะครับอัศจ ร, รบางทเาีเราก็คิดไม่ถึงนะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นยังไงอัศจ ร, รบางคนพูดเล่น น, น, นะครับว่าช้างเข้ารูปู ทําไมนะครับคนเหนือบอกว่างืดประหลาดนะครับเป็นไปได้ยังไงแต่ถ้าถามว่าเอาเอาช้าเข้าตู้เย็นได้ยังไงมีคนตอบได้นะครับต้องเปิดประตูตู้เย็นแต่อันนั้นเป็นเรื่องที่เราพูดกันเล่นเล่นแต่สิ่งที่แปลกประหลาดนะครับสิ่งที่อจจัศจรรย์สิ่งที่เกินมนุษย์คิดได้นั้นพระเจ้าทรงกระทําเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้ วิถีของพระเจ้านั้นเป็นวิถีที่สูงเป็นวิถีที่เราคาดไม่ถึงวันแห่งความชื่นชมยินดีนี้พระเจ้าได้พระผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเจ้าของฟ้าสวรรค์ผู้ทรงวิทธานุภาพสูงสุดพระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ต่ำต้อยอยู่ในรังยาเป็นมนุษย์เป็นคนที่สามัญเกินที่จะสามัญแม้กระทั่งที่พักของพระองค์แม้กระทั่ง ที่จะคลอดที่จะประสูตินั้นก็ไม่มีที่จะให้ประสูติได้ในสถานที่ที่ดีนั่นก็ประหลาดนั่นก็อัศจรรย์ที่พระองค์ประสูติในที่อย่างนั้นได้พระองค์เกิดมาเพื่อรักเราพระองค์อยู่ที่ไหนที่นั่นมีความรักและเป็นความรักที่เสียสละ เพราะว่าพระเจ้าพระบิดาทรงประทานพระบุตรองเดียวของพระองค์เพื่อเกิดมาเพื่อตายมนุษย์เราถ้าเรารู้ว่ามีปัญหาผมเชื่อแน่ว่าผมคนหนึ่งแล้วผมก็ไม่อยากเข้าไปในปัญหานั้นแต่พระเยซูรู้ว่าพระองค์มาแล้วพระองค์ตายพระองค์ก็มาครับนั่นก็ประหลาดดังนั้นประการแรกที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้ก็คือว่าความรักของพระเจ้า อัศจรในวรรคแรกของยอห์นบทที่3ข้อสิ6ได้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกทำไมพระองค์ต้องรักล่ะครับแท้ที่จริงเพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นได้ถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระเจ้าต่างหากพระองค์จึงทรงรักหลายๆครั้งเราค้นหาคำตอบว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไร พระองค์ทรงรักเพราะว่ามนุษย์เป็นผู้ที่ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้ามีลักษณะที่เหมือนพระเจ้ามีบุคลิกที่พระเจ้าทรงถ่ายทอดให้และยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงให้พระวิญญาณของพระองค์นั้นลมปราณของพระองค์นั้นเข้ามาในชีวิตของมนุษย์เป็นส่วนที่จะสัมพันธ์กับพระองค์พระเจ้าประทานเกียรติและศักดิ์ศรีพระองค์ทรงให้มนุษย์นั้นต่ำกว่าพระองค์เพียงแต่หน่อยเดียวเท่านั้นเอง พระองค์มอบอำนาจในการดูแลสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนอดัมและเอวาในสวนทุกๆวันทุกๆวันแต่มนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าความสัมพันธ์นั้นจึงขาดสะบั้นลงทำให้ความบาปเกิดขึ้นมนุษย์หลบลี้หนีจากพระองค์พระองค์ก็ติดตามหาเหมือนกับเล่นการเล่นซ่อนแอบวันที่อดัมซ่อนพระเจ้าพระเจ้าถามหาว่าเจ้าอยู่ที่ไหน พระเจ้าปรารถนาที่จะให้มนุษย์นั้นมีใช้ดำเนินใช้ชีวิตนั้นตามลักษณะของพระองค์คือดำเนินชีวิตด้วยความรักความยุติธรรมรักสัจจคกรุณามีความถ่อมใจรักซึ่งกันและกันรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดูแลซึ่งกันและกันแต่มนุษย์ก็ปฏิเสธวิถีนั้นที่พระองค์ได้มอบไว้ให้นั้นพระเจ้าตับตามหามนุษย์ครับด้วยความรักด้วยความห่วงใยพระเจ้าเลือกโนอาห์ A จาก ชนชาติจากตระกูลทั้งหลายที่ดื้อรั้นชอบปฏิเสธพระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมจากประชาชาติที่กราบไหว้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างกราบไหวด้ดวงอาทิตย์กราบไหวด้ดวงจันทร์ทั้งหลายพระเจ้าทรงเลือกคนอิสราเอลจากการเป็นทาสเพื่อจะให้เขาเป็นไทยและเมื่อเขาติดตามพระองค์นั้นเขาก็มักปฏิเสธพระคัมภีร์ใช้คําว่ากบฏคนอิสราเอลมกักกบฏต่อพระเจ้าอยู่เสมอ แม้ว่าเขาได้รับสิ่งดีมากมายพระเจ้ารู้จักเขาทุกย่างก้าวการร้หกระเหินการอดอยากความเดือดร้อนและแม้กระทั่งในพระกรมภีร์ใหม่พระคริสต์พระเจ้าก็ยังบอกว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราทั้งหลายดีและดูแลเราทั้งหลายมนุษย์นั้นดียิ่งกว่านกในอากาศแม้กระทั่งเส้นผมทุกเส้นของเรานั้นพระเจ้าทรงนับไว้หมดแล้วความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงชั่วลูกชั่วหลาน เป็นพันพันชั่วอายุคนแม้ว่ามนุษย์จะปฏิเสธพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงบอกว่าความรักนั้นไม่สูญสิ้นความรักที่มาจากพระเจ้านั้นไม่สูญสิ้นแต่พี่น้องที่รักครับความรักของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นความรักแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ใจดีตามใจหลานแต่ไม่เคยไม่ค่อยตามใจลูก ห ล, หลายท่านที่เลี้ยงหลานมักจะรู้ดีนะครับว่าเวลาลูกของเรานี่เราดุเราตีแต่ว่าหลานนี้ตามใจแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นคุณปู่ใจดีแบบนั้นพระเจ้าให้บทเรียนกับลูกของพระองค์เพราะพระองค์รักพระองค์ปรารถนาที่จะให้เขามีความสัมพันธ์กับพระองค์หันกลับมาหาพระองค์ ความรักของพระเจ้าเป็นอากาเป้เป็นการเสียสละเป็นการไม่เห็นแก่ตัวและความรักของพระเจ้าที่เข้ามาสู่ในชีวิตของมนุษย์นั้นก็เป็นบอกเกิดทำให้นั้นคนทั้งหลายเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเพราะว่าสภาพของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นความรักนั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่ ยอมรับพระองค์ผู้ที่ให้พระองค์เข้ามาในชีวิตคริสเตียนเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของพระเจ้าที่อัศจรรย์ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่สากลครับไม่เลือกหน้าเสมอภาคไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามอยู่ไว้ใดก็ตามพระวจนะของพระเจ้ายืนยันชัดเจนว่า พระเจ้าทรงให้แดดให้ฝนให้อากาศให้ลมหายใจกับมนุษย์ทุกคนเหมือนกันหมดพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงรักมนุษย์มาอยู่กับมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์มากินมาดื่มมาใช้กับคนใช้ชีวิตกับคนที่สังคมไม่ปราถนาจะใช้ชีวิตด้วยชาวประมง คนเลี้ยงแกะคนเก็บภาษีคนเจ็บป่วยคนที่สังคมรังเกียจเราลองดูคลิปตัดตอนมาจากภาพยนต์เสียงอาจจะเบาหนึ่งนะครับ ตายไม่ได <Es per ate> ้ตายไม่ตายเลยมองดูให้ดีอะไรเหรอพระองคจะรักษายันไงดูดูนั่นไม่มีใครจับต้องเขาปฏิหารเราได้เป็นพยานมาหลายครั้ง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 นั่นคือคำครับ <Easy. S 2> ถ้าพี่น้องอยากดูภาพยนตร์เต็มหาดูจากภาพยนตร์เรื่องไรเซนนะครับหลายท่านก็ได้ดูแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้พระสุคิตเจา้าพระองค์ไม่ได้ถือตัวเองและพระองค์ทรงอยู่กับชายไปกอดชายโรคเรื้อนคนนี้และรักษาเขาให้หาย มีสตรีท่านหนึ่งชื่อคุณวารีเกลือแก้วเป็นอดีตนักโทษยาเสพติดเธอออกจากบ้านในวัยที่เป็นวัยรุ่นเพื่อจะไปอยู่หอพักเรียนหนังสือเพื่อจะได้มีอิสระในการใช้ชีวิตในระดับก่อนชิ่เรียนมหาวิทยาลัยและเมื่อเธอเรียนมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่เธอพบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีมาก เธอต้องการอะไรเขาสามารถที่จะหาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองสินค้าแบรนด์เนมและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตกับชายคนนี้เธอมีคอนโดมิเนียมที่ใช้ที่อยู่พักอาศัยอย่างสบายสบายต่อมาภายหลังเธอทราบว่าผู้ชายคนนี้เป็นมาเฟียค้ายาเสพติดและเป็นคนสนิทของนักการเมือง วันหนึ่งที่เธอเครียดมากเธอก็ใช้ยาเสพติดที่แฟนของเธอนั้นค้ามาเสพเธอจัดปาร์ตี้ยาเสพติดและมียาเสพติดที่ใช้ได้อย่างสบายต่อมาวันหนึ่งปรากฏว่าตำรวจมาค้นที่คอนโดมิเนียมชายคนนี้ไหวตัวทันครับหนีไปก่อนทิ้งให้เธอถูกจับอยู่คนเดียวและเธอก็ถูกจำคุก ขณะที่อยู่ในคุกนั้นเธอก็ทำตัวเป็นมาเฟียเหมือนกับอยู่นอกคุกเหมือนกันหลายหลายครั้งเธอก็เจอปัญหานักโทษผิวสีคนหนึ่งได้บอกเดินมาแลหรือว่าบายครั้งที่เจอกันนั้นเขาก็จะบอกว่าพระเจ้ารักคุณผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มสงสัยว่าพระเจ้าที่เพื่อนนักโทษนั้นพูดถึงนั้นคือใครแล้วเธอก็พยายาม เข้าไปในกลุ่มอธิษฐานกลุ่มนมัสการของในเรือนจําหญิงแล้วเธอก็มีความสงสัยวันหนึ่งเธอก็ได้ทานอาหารซึ่งเป็นน้ําพริกจากเพื่อนนักโทษซึ่งเป็นชาวเขาและเป็นคริสเตียนน้ําพริกช่วยเล็กๆนักโทษหญิงที่เป็นคริสเตียนนั้นได้แบ่งให้เธอกินเธอประทับใจมากและรู้ว่าแท้ที่จริง คนเหล่านี้มีพระเยซูคริสต์อยู่ในใจแม้ว่าในร่างกายนั้นยังถูกจำจองอยู่ในเรือนจำเธอตัดสินใจรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเธอเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนโมโหร้ายจากคนเย่อหญิงกลายเป็นคนถ่อมใจคนใจเย็นเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นและพฤติกรรมของเธอก็เปลี่ยนไปเธอเป็นคนทางานที่ดีในเรือนจาและในที่สุด เธอก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเมื่อเธอออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเธอไม่เคยขาดโบสถ์ไปนักการพระเจ้าประจําไปกลุ่มเซลใช้ชีวิตหนุนใจผู้อื่นและมีงานที่ดีทำนั่นคือชีวิตที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอคิดว่าเธอไร้ค่าแล้วและเธอเองก็สามารถที่จะให้อภัยกับชายที่ทิ้งเธอให้ถูกจับอยู่คนเดียวนั้นได้ นั่นเป็นความรักอัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานให้กับคนนี้ประการที่สองครับความรักของพระเจ้ามาถึงเราทางพระเยซูวักต่อมาบอกว่าจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในะพระบุตรพระเจ้าประทานพระเยซูริตเจ้าเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะสําแดงความรักของพระองค์ในพระเยซูกิตเจ้านั้นเราย้า ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าที่ไม้กางเขนของพระองค์นั้นพระองค์สิ้นพระชนพระองค์สละทุกสิ่งทุกอย่างและแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระองค์มีความรู้สึกว่าพระองค์ถูกพระเจ้าถูกทิ้งณเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนนั้นเพราะพระองค์ถูกพระเจ้าให้เป็นคนบาปเพื่อจะรับบาปแทนมนุษย์ นั่นคือความรักของพระเจ้าที่มาถึงมนุษย์พระองค์ยอมแลกชีวิตของพี่น้องและผมไทยเรายกโทษเราสิ้นพระชนเพื่อเรานำเราทั้งหลายมากลับคืนดีกันกับพระเจ้าเพราะวฉะนัของพระเจ้าโรมบทที่ 5, ข้อ8ถึงข้อ10ได้บอกว่าขณะที่เรายังขาดกำลังอยู่นั้นพระกฤษได้สิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อคนบาปในเวลาที่เหมาะสมไม่ ไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีอาจจะมีคนตายเพื่อคนดีคนดีคนค น, น่ารักใครก็อยากจะตายแทนได้แต่คนบาปคนที่ไม่ดีนั้นไม่มีใครอยากจะตายแทนแต่พระศริษย์พตเจ้าพระองค์ทรงกระทำอย่างนั้นพระองค์แสดงความรักแก่เราทั้งหลายขณะที่เรายังเป็นคนบาปนั้นพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราโดยพระบุตรได้ทรงสิ้นพระชนยิ่งกว่านั้น เราได้กลับคืนดีกันกันกบพระเจ้าเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์พ ร, พระคริสต์เจ้าทรงรับพระประสงค์ของพระเจ้าดังพระวจนะของพระเจ้าในจุนีเดียบทที่เราอ่านเมื่อสักครู่นั้นพระองค์ทรงทนทุกข์รู้ว่าตนเองจะทุกข์ก็ยังมามาละกบทที่10บข้อได้บอกว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อ รับการโปลนิบัติแต่พระองค์มาเพื่อโปลนิบัติเขาและประชานชีวิตของท่านให้เป็นฆ่าไท่คนเป็นอันมากบนไม้กางเขนนั้นพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระบิดาโปรดอภัยแก่เขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนั่นคือการให้อภัยของพระรงค์ที่ให้กับคนที่ โหวตคะแนนให้พระองค์ต้องถูกตรึงและคนเหล่านั้นที่ตรึงพระองค์แต่พระองค์ทรงให้อภัยความรักของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายและพระองค์ก็มอบความรักมอบพระบัญญัตินั้นให้กับเราทั้งหลายที่จะรักคริสเตียนคือพระเยซู คือตัวแทนของพระเยซูคือพระเยซูตัวน้อ ย, อยหรือเงาของพระเยซูที่คนทั้งหลายจะได้เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตของเราเนะที่ใดๆที่เราทั้งหลายไปนี่แหละครับคือความรักของพระเจ้าที่เราได้รับทางพระเยซูกฤษฎ์ประการที่สมครับความรักของพระเจ้าเพื่อช่วยให้รอดในข้อที่สิบเจขออ่านอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระบุตร มาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้ให้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นเมื่อต้นสัปดาห์นี้ศาลพิพากษาคาดีร่วมกันวางแผนจ้างวานฆ่าอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติห้าคนถูกตัดสินประหารชีวิตทั้งประหารชีวิตทันที และจำคุกตลอดชีวิตค่าจ้างของความบาปคือความตายการพิพากษาลงโทษคนที่ทำผิดไม่เคยมีใครที่พ้นการพิพากษาลงโทษได้เช่นเดียวกันผู้ที่ทาบาปพระวจนะของพระเจ้าก็ได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่ทำบาปนั้นก็ต้องตายเพราะว่าค่าจ้างความบาป ก็คือความตายแต่ข่าวดีครับในวันคริสต์มาสที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ประสูตรในรางย้านั้นที่มีพระอ้อมพันอยู่นั้นบางคนให้สั ญ, ญลักษณ์ว่าพระอ้อมเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ทารกนั้นได้รับอันตรายพี่น้องครับในรางยา้าเราไม่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าโยเซฟและมารี เก็บหญ้าที่เป็นอาหารของวัวของสัตว์นั้นออกแล้ววางผ้าอ้อมบนในรางหญ้านั้นแต่ภาพที่เราเห็นอยู่ในทุกตั้งแต่เกิดหรือว่าตั้งแต่เรารู้จักคริสต์มาสก็คือว่าในรางหญ้านั้นมีหญ้าใช่ไหมครับแล้วก็มีผ้าอ้อมพันทารกถ้ามารีและโยเซฟไม่เอาผ้าพันทารก กุมานั้นจะเป็นอะไรครับผู้ใหญ่ที่เราที่โดนญ้าโดนขนย่าถูกย่าหลายครั้งผิวของเราที่ผ่านโลกมานานแล้วมันก็ยังถูกย้ยาบาดถูกขนของย้านั้นทิ่มแทงเลือดไหลแล้วผิวของทารกที่เพิ่งคลอดนะครับจะเหลืออะไรครับแต่ผ้าอ้อมนั้นป้องกันไว้มีบางคนบอกว่า เป็นเครื่องหมายของการปกป้องที่ช่วยเราให้รอดปลอดภัยจากพยันตรายจากการลงโทษบาปทารกรอดจากใบาญ้ารอดจากมแมลงทั้งหลายที่อาจจะมาตอมในค่ำคืนนั้นเราทั้งหลายได้รับการช่วยให้รอดจากการพิพากษาลงโทษโดยพรีสครตนี่เป็นข่าวดี โรโลบทที่แปดข้อที่หนึ่งข้อสองไปบอกว่าแต่เหตุฉะนั้นการลงโทษทั้งหลายจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎแห่งพระวิญญาณได้แ ห, แห่งพระวิญญาณในพระเยซูคริสต์ได้ทาให้ข้าพเจ้าพ้นกฎแห่งบาปและความตายและปรากฏว่าเราทั้งหลายนั้นที่ได้อยู่ในพระเยคริสต์เจ้านั้นได้ถูกประกาศว่าเป็นคน ชอบทำทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์จเจ้าและพระเจ้าทรงพระกรุณาโดยที่ไม่คิดบุลค่าเป็นการให้ฟรีไม่ได้คิดเงินเพียงเราหยิบยื่นและวางความเชื่อของเราไว้ในพระองค์ย้อนบทที่หนึ่งข้อที่12บได้บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่วางใจนี้ เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าก็ประทานความชอบธรรมนั้นให้กับผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์และการพิพากษานั้นพระเยซูกิจเจ้าก็ไม่ได้พิพากษาเพื่อจะลงโทษแต่ว่ากฎของพระเจ้านั้นก็คือว่าผู้ที่อยู่ในความสว่างผู้ที่รับความสว่างนั้นก็พ้นจากการพิพากษาลงโทษพระเยซูกิจเจ้า ทรงเป็นความสว่างนั้นและพระ อ, รองค์ทรงเป็นความสว่างเพื่อเราทั้งหลายเพื่อผู้เชื่อทั้งหลายนั้นจะดําเนินชีวิตอยู่ในความสว่างไม่ใช่อยู่ในความมืดแม้ว่าเราอยู่ในโลกแห่งความมืดที่ไม่มีแสงสว่างแต่ความสว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นจะนําพาเราไปในความชอบธรรมของพระเจ้าการช่วยคล อ, อดของพระเยซคริสต์เจ้านั้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดการตอบสนองพระคุณของพระเจ้า มีนักโทษอีกคนหนึ่งวันนี้พูดถึงนักโทษหลายหลา ย, หลายคนนะครับแท้ที่จริงเราเองก็เป็นนักโทษเพราะเราเป็นนักโทษแห่งความบาปที่อยู่ในโลกแห่งความจิบปวดมากมายเราถูกความยากลำบากของโลกนี้เราถูกความบาปนั้นคุมขังนักโทษคนนีเ้เขาทำผิดเมื่อปี 2,533 เมื่อ26ปีที่ผ่านมาแล้วนั้นนั่นก็คือว่า เธอเป็นพยาบาลสาวที่โยนเด็กอายุสามขวบลงจากตึกของโรงพยาบาลชั้นห้าและเด็กนั้นเสียชีวิตผู้คนโจมตีความโหดเยี่ยมโหดร้ายของเธอทั้งๆ ท, ที่เธอเป็นพยาบาลเคยมีความเครียดอะไรมากมายถึงขนาดนั้นใช่ครับความเครียดของเธอก็คือว่าเธอมีสามี ที่เธอไม่ได้เต็มใจจะรับเพราะว่าเธอถูกมอมยาแล้วก็ต้องยอมรับในการเป็นภรรยาแต่ไม่ได้เป็นภรรยาคนที่หนึ่งกับต้องเป็นภรรยาคนที่สองเด็กที่เธอโยนลงมานั้นจึงไม่ใช่ลูกของเธอเป็นลูกของภรรยาคนที่หนึ่งของชายคนนั้นคดีของเธอนั้นดังมากและสังคมก็โจมตีประนามอย่างหนัก เธอชื่ออัญชุรีนะครับและเมื่อเธออยู่ในอยู่ที่ถูกจับที่โรงพักนั้นสถานีตำรวจเธอพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายครับในวันที่าทาแผนนั้นปรากฏว่ารถติดมากบนท้องถนนมีผู้พันที่เป็นทหารคนหนึ่งไม่สามารถไปทำงานได้วันหลังผู้พันท่านนี้ก็ได้มาเยี่ยมเธอที่คุกและบอกว่าวันที่ทาแผน นั้นท่านไม่สามารถที่จะไปทำงานได้มันน่าหดหูใจมากและท่านบอกว่าเธออย่าเพิ่งท้อใจแล ะ, อ, ะอย่าฆ่าตัวอย่าคิดฆ่า ต, ตัวตายอีกพระเจ้ารักเธอชีวิตของเธอที่อยู่ในเรือนจำนั้นเธอก็ร่มสงสัย นักโทษสงสัยหลายๆคนนะครับทำไมคนจะต้องบอกว่าพระเจ้ารักเขาและทำไมเขาจะต้องอมอิเขาได้รับการเยี่ยมเยียนจากผู้คนข้างนอกมากมายทั้งๆที่เขาเองทําผิดเยอะแยะมากมายคุณลีเธอใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์และเธอก็อ่านมาพบพระธรรมยอต์บทที่แปดพี่น้องที่ อ่านพระคัมภีร์บ่อยก็จำได้นะครับย้อนบทที่8เรื่องอะไรและเธอมาอ่านมาถึงข้อที่ 10.11 อที่บันทึกว่าพระเยซูรูกขึ้นตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไม่ไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเธอรหรือนางทูลว่าท่านเจ้าข้าไม่มีใครเลยแล้วพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทาบาปอีก เธอรู้สึกาซาบซึ้งในพระวจนะของพระเจ้าแม้ว่าเธอจะทำผิดมากมายทำผิดที่โหดร้ายมากที่ทำกับเด็กวัยสามขวบแม้กระทั่งจิตใต้สำนึกแม้ว่าเธออยู่ในการลงโทษจิตใต้สำนึกนั้นมันฟ้องอยู่ตลอดเวลาและเธอก็รู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าก็ยอมตายเพื่อเธอที่บนไม้กางเขนนั้นเช่นเดียวกัน เธอรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากการสอบถามหรือว่าการให้คำพยานการเป็นพยานในความเชื่อของเธอนั้นหลังจากที่เธอเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้ามาแล้วสิบาปีเธอบอกว่าจิตใจของเธอนั้นมีอิสระภาพเต็มร้อยแม้ว่าร่างกายยังถูกจอมจาแต่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอจากคนที่ หดหูเป็นคนที่คิดฆ่าตัวตายเธอเริ่มทำงานรับใช้ผู้คนในเรือนจำและเธอก็เป็นนักโทษที่ดีได้โอกาสเรียนระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชและเรียนจบขณะที่ยังอยู่ในเรือนจำนั้นและขณะที่เป็นพยานนั้นเอง เธอก็ยังไม่ได้รับการพ้นโทษแต่ว่าจากที่พระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนชีวิตของเธอนั้นโทษจำคุกตลอดชีวิตลดเหลือเพียง20ปีเข้าใจว่าเร็วๆนี้เธอน่าจะได้รับการปล่อยตัวมาสู่ชีวิตที่อยู่ข้างนอกและมีเสรีภาพอีกครั้งหนึ่ง น้องที่รักครับความรักของพระเจ้านั้นมีมากมายต่อทุกคนเราจะตอบสนองความรักของพระเจ้าอย่างไรเราจะทำผิดเพื่อให้เข้าไปอยู่ในเรือนจำเพื่อจะได้มีประสบการณ์และเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างนั้นเลยครับผมมีเราควรจะตอบสนองพระเจ้าด้วย ก, การกลับใจอีกครั้งหนึ่งวันคริสต์มาสวันที่พระคริสต์เจ้า เราลึกถึงการเสด็จมาของพระสุริย์เจ้าที่บังเกิดในโลกนี้เราย้อนกลับไปในวันที่เราต้อนรับพระสุริย์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเรามีความชื่นชมยินดีเต็มเปี่ยมอย่างไรเราเริ่มต้นกับพระองค์อย่างไรความรักรั่งเดิมของเราที่มีต่อพระเจ้าติดตามพระองค์ครับหันจากความชั่วร้ายหันจากสิ่งที่ไม่ดี ผมไม่เชื่อว่าไม่มีใครไม่นินทาหันจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นพระเจ้าช่วยเราได้พระองค์ช่วยคนอื่นมาแล้วอย่างไรพระองค์ก็ทรงช่วยเราได้เช่นเดียวยางนั้นให้เรามีชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีในค่ำคืนที่ผ่านมาท่านสีบานได้บอกเราแล้วว่าในพระอ้อมนั้นมีความชื่นชมยินดี พระเยซกิจเจ้าพระกุมาร น, นั้นเป็นความชื่นชมยินดีของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีแก่เราให้เราดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีแม้ว่าเราจ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากต่างๆนาๆนาเผชิญวิกฤตมากมายแต่พระเจ้าอยู่ด้วยกับเราพระองค์ทรงเป็นองค์อิมมานุเอลพระองค์ทรงยืนยันเช่นกันให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า สมกับการที่พระเยซูเจ้าได้สละพระชนของพระองค์สมที่พระองค์พระเยซูเจ้าได้มาบังเกิดและทำพระราช ก, กิจของพระองค์กับเราพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นิรันดรแห่งชีวิตของเราเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราเป็นอิมมานุเอลที่จะนาพาชีวิตของเราเพื่อให้เรานั้นที่จะมีชีวิตที่ อัศจรรย์ผู้คนจะได้เห็นชีวิตของเราแล้วอัศจรรย์ t t t t <อ>ถึงว่าคนที่พระเจ้ารักและคนที่รักพระเจ้านั้นเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงและเขาเกิดการที่มีอิทธิพลตอ่อโลกที่ดีในทางที่ดีได้อย่างไรขอพระเจ้าช่วยเราให้วันที่องค์พระคริสต์สสเจ้าได้มาบังเกิดในโลกนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่เราจะเฉลิมฉลองวันที่25 ธันวาคมของทุกๆปีเท่านั้นแต่ให้วันที่25ธันวาคมของทุกๆปีนั้นอยู่ในชีวิตของเราทุกๆวันทุกๆวันให้ทุกวันของเรานั้นเป็นวันคริสต์มาสวันที่เราชื่นชมยินดีวันที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าและให้การอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระคุณพระองค์สําหรับความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ ให้แก่ประธานแก่ข้าพหลงทั้งหลายโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้านั้นข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานกำลังแก่ข้าพหลงทั้งหลายที่จะรักพระองค์ที่จะรักผู้คนอีกมากมายให้ชีวิตความรักแบบอากาเป้ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพหลงทั้งหลายนับตั้งแต่วันนี้และช่วงเวลาแห่งการเข้าสู่ปีใหม่ ปีที่ข้างหจ้าจะมีความชื่นชมินดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งและทุกๆวันให้เป็นวันที่แห่งความรักในการอัศจรรย์ของพระองค์ข้าพเจ้าขอมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ให้พระวจนะของพระองค์เกิดผลในชีวิตของข้าพเจ้าทุกๆคนในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน